โอ้ปานเข็มแท่งเนี้อมันกัดจับอะไรคือืจับได้ตัวหนึง่งสองตัมันกัดคือตัวได้แหะดัดปายมืนคือเข็มแท่งนีง่มันกัดเนี้ยพอดับไฟมันหกแข็งเกิจะไปทอะไรุกหออะไรก้าวอันข้าวันมน ดีมากเชียร์ท่นเื่นเสียไม่กินมากวันหยุบยาอะไรนนมากเลยโอ้ยไม่่ามของเ ให้สบายดีมงวันน okay, ีต่เม่อ่ามงวันนี้โลกหัวใจกเหนื่อยเลื่มังกรดอะไนั่งเรื่อบุตรกา บ, บ, บังคำมันยังยังเปอีกไม่รข้าวอนเขาอนันก็แต่จะทามันตลอดไป <c oughs> ไปซุม่มไปเลยไปซุม่มเ่ยตุ่มการซุ่มกัในของง่อย ร้านนุ่งมาเป็นทวนทวนทำไงกำลังเรายังลดลงลดลงไม่สมดุลกันต่อไปมันก็เลี้ยวไหลมันเป็นอยื่นุ่งก็เลีวไหลอย่างนี้มันยังไม่อยุดแต่ยังน่งเลีวไหลนั่นจะมากไปกว่านี้เราเคยเห็นยอะแ่นม้ครูบาอาจารย์อะไรมาเป็นที่เคารนับถืออย่างหลวงปู่ฝัน วัดธรรมภาพม่างๆเราเปลี่ยนอะไรหนแล้วก็มาวัดธรรเปียนะดูดูเห็นมันูมจะไปไหนมก็ไปช่องเดียวกันงานมาๆๆมๆๆากๆเยอะๆทั้งดัเจีเรียมันเป็นของง่ายมาเลยเป็นดอกตายขวานจะเร็ดดัดเรามันถึงง่ายนิดเดียว ให้เาจะดัดกิเลสมันไม่ได้ง่ายนะไม่งั้นจะเป็นของกระเทือนลูกหรืนะหเวลาดัดเด่แล้วกระเทือนลูกหรือ ป, ประโยคพยายามก็กระเทอือนลูกอยู่แล้วดังบอกพุทธอิอะไรมันกระเทอือนเหมือนที่เลสเหยียบหัวคนคนตลาดเหยียบหัววิเลสมันกระเทอือนทั้งสองอย่างะ มีนี่กันเด่นอยู่ในโลกงานนี้มีเทพีเหลนเดนทพีเหลนเดนเกิดบนโลกะทำเดินก็นกนระเทือ น, น, น, นอันเดียวี่ในหัวใจตรงเดียวกันตงไหนก็นจะได้มาก ไปมืรุมดาวเือบไปเกือบอยู่นราจะมาทำหน่แบบล่ามเปิดกแดงมความเพลียนอันนี้คืความเพลียนขนนางไม่ใช่ความเพลียนผู้คาที่เหลยความเพลียนขนนาง ควเปลี mm. ่ยนกเป็นปุ๋ยปุ๋ยลเลยเด็กผมีฟังไปทั่วภายในวันนี้ มไม่กีบเทเต็มแฟังเทปเทป น, นี้นี่มม่ได้ตัวนี้กอ น, น่อนลงอนลงนำงเราคนเดียวไปงานนั้นอยู่แบกทำไมแบกข น, เ, นเหมือนแบบต้นไม้ต้นพืชนะนั้นมีเวลาป่อร ง, ง, งอันนี้มันมี นั่งกแบกนอนกนแบบนนแบบยืนก็แบกบยาวบดทั้งขงีดแบกทั้นั้นเน่ถึงนอนก็มม่หลับปิดนั่งนิดเจ็บนั่นกวดนอนลงไปเหมือนเอาคอนกระดูกวางพื้นๆ้นานนีนเหมือนไม่มีเนื้อมีหนังรองเจ็บไปหมดทวนยิน่งโยงแม่พูดนอนดวมันเหมือนแต่ก่นอนนะ มือนมีน้ำหุ่มกระดูกวางบางเมือไหนมัเจ็บมดมันมีอะไรรอเนื้อมันมหว่างเราฟังเดี๋ยวนีมันถูกล้วนอนกระดานนี้วมือมือมันกระดูกวางกระดานเจ็บมดตัวนอนมัน ที่หลับที่นอนมันก็เป็นลักษณะเดียวกั น, นเจ็บไปหมดตามกระดูกกระดูกยุ่ม แ, มมแน่วาเราตัวทนนเก้าสิบสามปีน้องทนมากเราแค่นี้ก็พอแล้วถ้าลำบังอยู่ของไปนานนะไม่ชอบติดเนดูแบ่ลมันน่าประยู่อะไรกองกระดูกกระโหลนมีแล้ว ทิ้งเมื่อไรก่อนหาความรับผิดชอบมันจะทิ้งเมื่อไรแล้วจมอย่าวโลกสาคัญวิถีชสําคัญ ม, มันหึนมันโง่เนากเสีแล้วมันก็ยังไม่อยากให้ทิ้งมันให้แบบอยู่ทั้งเหน้าทั้งทุกข์เ่ยแต่ทำไม่อย่างนั้นหายใช่ไหมใา่ไปอะไรใช่ไหทิ้งไปเนยอะ หนึ่งกว่าควรน่ะใช่ไหมนะกี่ปีกว่าปีอะ้รคนนั้นก็ห้าสิบปีเต็นนะมแบกอะไรแล้วนะ โลกเขาเรียกว่าหายห่วงนี่ไปห่วงมันก็ไม่ท่าเจะอะไรมาหายห่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงหมืนห่วงอะไระดินน้ำาโลมไฟห่วงอะไรห่วงอะไรมอง ไ, ไหนก็เหน็นดินมีแต่ดินแต่น้ำจะลมตไฟเต็มแผ่นดินเต็มร่างกายอจ็จาอะไรไปห่วงห่วงมหาเลย มันอยากจะพูดเต็นปากถ้าไม่เต็บ้าวังเลยมันเตบ้าอลยมัหงเด็กของม่ถเป็นบ้ามันตัวโลกนี้มันอยู่ยืนของยุมงยินแรงอะไรย่ายิงหาความจิงไม่ได้มีแต่ความต้องเต็มหัวใจเต็มตัวยัหยิ น, น ท่นพูดท่านเลยยิงเป็นจัดเป็นส่วนบางปล่อยวางไว้ตามเป็นทุกสิ่งที่อยา่างไม่กระท้องกระเทือนกันเนี่ยแต่ความเจ็บปวดปวดร้าวในร่างกายทัานทั้นกมีเห็นก็เทือนกันตรงไหนเจ็บนั่นก็เจ็บเนี่ยตรงไหนไม่เจ็บมันก็ดีเหมือนก็อยู่เหมันเนี่ยนี่ว่าแบกเรื่การมดัดเจ็บนิดนิดหน่อยในร่างกาย แต่ตายมหมดทั้งล่างเพราใจทันางดินงางกัดกัดกระซอมใจไม่ดินงสัอย่างเดียวเจ็บตรงไหนก็รู้ว่ามันเจ็บตรงไม่เจ็บไม่อยู่ก็อยู่ที่มันไม่เจ็บนี้สิเน่แปลว่าไปอยู่เรื่องความยู่งทางงานทางจริงแล้วมัาจับจะไปอยู่กับอะไรมันพอตัวทุกอย่าง ไม่มีอะไรบกพ่องคือตาใสอะไรใช่ไหมไหนต่อยนเนี่ยพื้นแบบพื้นน้ำมันหนักรวยม า, าละอาตรงอย่างเราแแบบคนมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจัดท่นวันวันอะไรนเหมือนกันหมดเลยนันไม่ใช่กระเด็นด้วย นเหนื่อยยังรงทาทรงขันเรีองของตอนนี้มันก็พอแล้วยังจะไม่ไหวนะในแน่รับแขกรับคนติดสนาว่าการ น, นี่คืเรื่องกยี่ขยตั้งให้เหลกลงไปได้นี้เคยมันก็ตั้งเราอยู่แล้วฉันว่าคุณทานเลยว่ามันเป็นมุ่นไปเกิดคุณทหาร เราไั่แฟร์ Recently, no, ท, ที่ใบความมุ่งมั่นมันถึงดุร้ายเตียงนอน อืมความดี